การทำกันนะการปวงธรรมก็คือการฟังเรื่องของตัวเรานี่เรื่องของตัวเราใน่ก็มีกายมีใจสิ่งที่เกิดขึ้นเ ก, กว่าวกับกาใจเรียกว่าธรรมปฏิบัติธรรม เขคือปฏิบัติแล้วสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับกากับใจมันมีสิ่งผิดสิ่งถูกสิ่งเป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีได้เปลี่ยนจิงไม่ถูกต้องแล้เป็นความถูกต้องจึงเป็นการปฏิบัติธีปฏิบัติ ต่อสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องคือต้องมีการกระทําการกระทําเรื่องนี้คือกรรมาฐานวิชากรรมาฐานนี้เป็นวิชาที่ตั้งไว้แล้วเพื่อจะทำสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นความดีที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่ ที่มีสติเป็นในกายจูเป็นประจอมก็ต้องมีความเพียรขย่อนดูมีสุดทธาความเชื่อมีสติที่เป็นตัวประกอบขึ้นมา ถ้าม่ประกอบขึ้นมามันก็ไม่เกิดการประกอบไปเกิดความรู้สึกตัวที่เป็นสติปัฏฐานวิเชตติธรรมดาจึงสัมผัสเอากับความรู้สึกตัวไปกับกายไปก่อนโอกายเป็นนิมิตก็กายเป็นที่เกาะไว้ เรียกว่ากรรมาฐานรู้แขนเข้าเหยียดแขนออกให้รู้สึกตัวหือหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเอาวัตถุอุปกรณ์ที่มีในกายนี้มาผิดให้มัเกิดความรู้ขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมา อาจจะรู้ทุกทุกวินาทีก็ได้โดยเฉพาะวิชากรรมฐานที่เป็นสติปัฏฐานสมบัตญะบับพะในบพะต้องประกอบตามที่หลวงปู่เทียนสอนนี่มันทุกวินาทีรู้ทุกวินาที วันอาจจะมีมากขึ้นถ้าลูกทุกวินาทีวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ลูชั่วโมงหนึ่งก็มีกี่นาทีนาทีหนึ่งก็มีกี่วินาทีแค่วงหนึ่งก็อาจจะสองพันหกร้อย วินาทีก็ได้หกร้อยลูบอ้าเราลูบทุกวินาทีเจตนาลงไปเอย่าใช้สมองเอยวใช้ความคิดนะมาตอบมาโต้ไม่โอกาสการทำการ ก, รรกา ร, กรทำนี่มันเป็นการสัมผัสไม่ใช่สมองคิดถ้าคิดมันก็ไม่ใช่สัมผัส สมบัตกับความคิดได้เหตุได้ผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมมัต้องสมบัตเอาคนฆ่ากันตายเพราะเหตุเพราะผลจึงมีการสมบัติเอาไม่ต้องใช่เหตุใจ ผ, ผลการสมผัสนี่ไม่ต้องถามใคร ไม่มีคำถามมีแต่คำตอบตัวเองต้องตอบอเองอาการสัมผัสกับสัจธรรมแล้วเช่นมีสติยกายเคลื่อนไหวเจ้าว่าสัมปชญาาัญญะบบพระนี่ยกมือเคลื่อนรู้สึกเคลื่อนมือเข้ารู้สึกเอามือออกรู้สึก นี่คือการสัมผัสการสัมผัสเช่นนี้ที่เหม็นเป็นความรู้ไปในกายมีกายจริงๆก็รู้ไปในการเคลื่อนไหวจริงๆเรียกว่าสัจธรรมว่มือเราไปอย่างไรละ ร, รู้เองไม่ต้องถามใครเราเป็นผู้รู้ความรู้แบบนี้ไม่มีใครให้กันไม่มีใครยื่นใกนการได้ ต้องประกอบขึ้นมาออเองเราก็มีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะต้องประกอบตรงนี้ขึ้นมาได้ทุกๆุกวินาทีแต่นี่เราว่าได้ประกอบให้เกิดความรู้สึกตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับปากกับใจ บางทีเราอาจจะไปสร้างความหลงพอหลงกี่อส่งไข้หลงไม่เคยเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้เราทุกข์จีส่งไข้ทุกข์แล้วไม่เคยเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เป็ความรู้ความผิดที่เกิดขึ้นกับกว่ากับใจแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่จะทําตามตามันไปก็กลายเป็นนิดใส อาจจะยากสักหน่อยเมื่อเมื่อฝึกเป็นความคิดมันเคยไหลสันตติสันทธเลมันไหลยอยู่เรื่อยเวลาเราประกอบวังด้วยตัวอาจจะถูกความคิดกบเกินหลงไว้ในความคิดก็นั่นแหละเป็นอุปกรณ์ตันหนึ่งที่ทําให้เกิดเอามาทําประโยชน์ให้เกิดความรู้ขึ้นมา ดูาจากตัวขึ้นมามาให้มันคิดไปแบบที่ไม่ถูกต้องเราจะเห็นความคิด ต, ตินี่เห็นความคิด <c oughs> เห็นอารมณ์เป็นดวงตาภายในไม่ใช่ตาเนื้อเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตที่มันเป็นนามธรรมา เห็นวัตถุที่มันเกิดขึ้นกับกายที่เป็ น, ป, นรปรูปบิทมมันมีกายมีใจนี่วิธีเกิดของอกุศลที่เกิด ข, ของกุศลวิธีปฏิบัติก็เปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้ด้วยความรู้จาความหลงด้วยความรู้จะความทุกข์ ด้วยความรู้จะควบไม่ดีทั้งหลายนเป็นความรู้เรีลว่าปฏิบัติคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกนี่มีกันทุกคนไม่ไม่ใช่ว่างมีงานทําจริงๆถ้ามีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งเยอะแยะเลยงานที่มาใช่ความรู้ที่มันเกิดขึ้นมากับกายกับใจบางทีก็มีวัตถุปร วัตถุอาการตาหูจมูกลิ่นกายใจมีลูกมีรถมีจินมีเสียงเขาเกิดอาการขึ้นมาก็าดันและเราได้บทเรียนเยอะแยะประสบการณ์เยอะแยะเหมือนกับดูตำราอ่านตำราก็ได้เห็นได้อันจช่ที่บอกผิดบอกถูก แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกเช่นคนป่วยที่เป็นโรคมันเลงหมออห์มอะไรที่เหมือนเป็นอาหารของมันเ็งก็อย่าไปกินอย่าไปทานแล้วก็ปฏิบัติตามแต่มันก็หายถ้าเพี้ยฟังตามวิชาการอ่านั่นก็เป็นอีกที่เป็นวัตถุ แต่นำ ม, มาทำคูอจีใจเข้าเรานี้วันทีมันก็มีโลกโลกโลกน้ำโลกก็ น, นีแต่อุปกรณ์ที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจบอกคิดบอกถูก บางทีมันมาคราวเดียวกันสร่วความหลงความกลัวไม่หลงความทุกข์ความไม่ทุกข์มันเป็นคู่กันอยู่สติจะได้รู้ได้เห็นถ้าไม่มีสติจะไม่รู้เรื่องนี้ทุกข์ก็เป็นทุกข์หลงก็เป็นหลงว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีการกระทําไม่มีเจ้าถิ่นไม่มีผู้เฝ้าดูเป็นเถื่อน กอเถื่อนใจเถือนเ่อ น, นใจดีขึ้หิวไปไหนก็ได้สุข ก, ก็ช่วยความคิดทุกข์ก็ความคิดเอาความคิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์เอาความคิดให้เกิดเป็นเหตุอก่อนการทาก็มีเราจึงไม่เห็นบดนี้ถ้ามีสติเย็นเห็นกายจะว่ากาย เอากายมาตั้งมาเนี่เห็นกายจะว่ากายได้บทเรียนจากกายเยอะแยะแต่ก่อนนี่กายไม่เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเทุกข์อะไรหลายอย่างเกิดกับกายเอา่าเป็นตัวเป็นตนเกินความหิวคือตัวตนความหนาวคือตัวคือตนความร้อนคือตัวคือตนความปวดคือตัวคือตน ก็เห็นถ้าเป็นไปกับสิ่งที่มาเกิดขึ้นไม่รู้จบแยกแยะแล้วก็เป็นทุกเป็นโทษได้เช่นความหิวถ้ามีสติจะเห็นมันหิวเห็นหมันหิวมาถดงเป็นผู้หิวแบนี้ก็กายสวะกายันก็ถูกต้องแล้วความหิว ถ้ามันหิวถ้ามันไม่หิวมันจะตายถ้ามันหิวสแสดงว่ามันเป็นสัญญาณภัยของกายของรูปเรต้องบรนเท่าต้องกินต้องทานถึง ท, ที่มันหิวหิวน้ำก็ต้องดื่มน้ำหิวข้าวก็ต้องทานข้าวไม่ใช่เรื่องทุกข์เป็นเรื่องของปัญญาแต่ทานนี่มันถูกต้อง ถราทำเป็นถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นโทษเดียกบางทีมันหิวสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่กผิดประเภทใช่ใจผิดประเภทไปติดบุหรี่ติดเหล้าหิวเหล้าหิวบุหรี่อันนี้ต้องละสิ่งเหล่นี่ต้องละสิ่งที่ไม่ถูกต้องละเปี่ยให้เป็นความถูกมันติดทั้งสองทางเล่นบุหรี่ เพราะการกระทำมันก็ติดเพราะสุบมันยังติดเพราะติดมันยังอยากเพราะอยากมันยังสุกมันไปในวงจรนั่นซะเป็นสังขารถ้าไม่สุบมันก็ไม่ติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่อยากเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติพอให้เป็นแผลสิ่งแวดล้อมอาการที่มันเกิดขึ้นเอกมาเป็นตัวเป็นตนบางทีก็สุกสุน ตื้ด่อนไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปคิดสิ่งนี้ไม่ดีก็ติดเอาเหมือนลิงเจ้าสุกสนเขาดักตังเอาไว้ของเหนียวมันสุกซนมันไปจับดูมันก็รั่วของเหนียวมือมันก็ไปติดอะเอามือสองไปจับออมือสองก็ติดอีก เมื่อสามคือขาไปยันออกขามก็ติดดียงเขาปากไปกระดอกกบปากไม่ติดเดีก็เลยเป็นลิ้ยงติดตังตกในผ่านออกไปชําระค่าทิ้งค่าจิ้นไปชีวิตของเรานี่ก็ถูกก็เลยที่ใช่ชีวิตไม่ถูกต้องดื้อด้านของที่ไม่ดีก็ไปติดเล่าติดบุหรีติดสึ่งเสพติดทั้งหลายติดกับว่กุศลกว่าโกดูปล้นัวงทุกติดกับทุกติดกับโกด หายเป็นนิสยัยจะหลิดนิสัยลาคาจะิลีดโทศษศัพ์จะิลีดมูหจัจะิลดไปทางต่ำๆไปโน่นคิดของเรานี่มันไม่เหมือนสตัตว์ดิชาันมันไม่นโลกมีเป็ดมีสุรุ้งก็มีสตัาาตว์ดิาฉันถ้าไม่ศึกษาไม่พัฒนามันรูปนี่นามนี่มันมีสมงองมันเสพติดอะไรได้ หมันก็มีผู้ปรุงให้คนเจ็บติดในโลกนี้การโฆษณาชวนเชื่อเขาบอกให้เราหลงเขาสอนให้เราหลงโยยะขวบโ พ, พที่สอนให้เราลู้เรายึดท้องฟ้ายึดอากาศราวเทียมเพื่อจะให้เราหลง เดียแยกไปเลยทาง n ูก็หลงท่างกินก็หลงทางตาก็หลงลูกหลานทัวันนี้ถูกที่คนชวนให้หลงมากมายแต่ก่อนนี้ลูกเต้าเราหลานตอนค่ำตอนเย็นมานอนเอาหัวกายหัวเข่าพ่อแม่ให้พ่อแม่เรานิพานิทานนิวรัง บดงทีก็ไปฟังนี้ฐานจากคนเท่าขนแก่เพราะแม่บอกไปชวนกันไปนอนบ้านนั่งฟังบ้างแต่ทุกวันนี้มันเป็นนั่งอยู่ที่หน้าจอทีวีหรือคอมพิวเตอร์เพราะแม่ไม่ได้บอกแล้สวสอนเมือนคนโวราณพราอสำนักของ โฆษณามันยิ่งใหญ่ทําไห้คนหลงแม้แต่เราก็หลงหลงในตาในหูจะมูกเล่นกายใจเยอะแยะไปเลยปล่อยกายปล่อยใจทิ้งเป็นกายโสเพนีเป็นใจโสเพณีสมโซนโดยอาศัยกายอาศัยใจไม่ได้นี่ใจก็อาศัยใจไม่ได้ไม่รู้ว่าใจเป็นอย่างไร ข่มไล่ขมดีผู้ผู้แบบแบบบงท่านดีใจตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าจะพึ่งกันได้อย่างงางบางทีก็ทุกขกประคิดตัวเองเอาความโศความทุกข์ไห้อยไปเขนไปกับจิตใจไม่ได้ฝึกใจที่ไม่ได้ฝึกมันไปติดอะไรวันนี้เราเห็น ไอสัตว่าก็เห็นสุขเห็นทุกข์สัตว์ว่าทุกข์สัตเห็นจิตที่มันคิดก็สัตว์ว่าจิตที่มันคิดบางทีความคิดไม่สงสัษณะตั้งใจคิดก็คือปัญญาไม่ตั้งใจคิดก็คืออวิชชาการไม่ตั้งใจคิดอาจจะมีมากกว่าการตั้งใจคิดการตั้งใจคิดมันขี้เกียจด้วยไม่อยากคิดในสิ่งที่มันถูกต้อง จะสร้างบ้านขนาดนี้ห้องเม็ดเท่านี้จะใช้ปูนจีถุงจะใช้อีจีก้อนจะใช้เหล็กกี่เส้นจะใช้ชายีชคิวหิ้งฉีชคิวมันไม่อยากคิดคิดไม่เป็นไปจ้างเขาแต่ถ้ามันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเจงกว่าเขาหล่อยนอนก็คิด กลางคืนเป็นขวนันกลางวันเป็นเลตลกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดนั้นเปิดเพื่อนไปแล้วเวลาเรามาฝึกกรรมฐานเนี่ตัวนี่จะแย่งไปที่สุดเลยบางทีให้สุขสติกอนคิดอะไรังอื่นเคยได้เห็นเคยได้ยินผู้ฝึกกรรมฐานพอมาฝึกกรรมฐานหนึ่งวันสองวันก่อนมาพูดในังว่า หนูจะเลี้ยงลูกได้ไหวไหมหนูจะเลี้ยงลูกไว้ไหมเ น, น, นี่ยหนูมีลูกสองคนแล้วมีตายตกอุบัติเหตุไอ้ลูกสองคนหนูจะเลี้ยงลูกไว้เนี่ยมาคิดแต่เรื่องลูกมาเปาึกกรรมฐานบางทีมีความโกรธก็คิดแต่ความโกรธความรักก็คิดแต่ถึงแต่ความรักบางทีก็ทิ้ทงรกรรมฐานไปกับความโกรธบางไปกับความรักว้าง ร้กับความคิดหิวไปต้องมีสติรู้ใ่ไหคิดสักแต่ว่าคิดนี่ว่าจิตเวลานี่ไม่ใช่หมาคิดมาฝึกสติเวลามาคิดรู้สักตัวซาเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้ใช่เป็นพระพุทธเจ้าฝึกตัวเองพระจิตตถาฝึกตนนั่งอยู่ใต้ต้นโห พระองค์อา จ, จะคิดเป็นสุขของมลชาตเคยอยู่ประสาชลำเลือดดูแลดูหนาอยู่หลังหนึ่งแล้วดูหลอนอยู่หลังหนึ่งแล้วดูผลอยู่หลังหนึ่งมื่อนั่งอยู่ใจภาพแค่นนั้นก็ธรรมดาต้องคิดถึงก้อนหนาวฝนตกเกระเกล็ดยุงลิ้นไหกัด ะจะคิดถึงปัจจาร์สอฤดูเอาเหตุเอาผลเหตุผลก็ดีถูกต้องปัจจาร์สอูก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นไม้ได้เลยเรามานั่งอยู่นี่เดี๋ยวเกิดเก็บไข้ได้ป่วยยุงก็กัดงูเรื่อยมาผลตัว ก, ก็เปียกแดดตัาก็ร้อนถูกต้องหรือเปล่าเอาเหตุเอาผลมาแย่งกันจะ ลูกนี้กับกับบินละพัเลยนี่พระองค์กลับใช้เวลามาคิดถึงประสาทสั่ลูกกลับมาลู่จุดตัวผู้เขียนกข้าลู่จุดตัวบอกตัวเองว่าเวลานี้ไม่ใช่คิดถึงประสาทสั่นูมาฝึกมาฝึกปฏิบัติธรรมศึขษาธรรมะกลับมาลู่ใช หรือบางที่อาจิตถึงหลอหุ่นที่จากมาอเกิดได้เกีจคร้านคนมีลูกที่เป็นพ่อคนโตก็คิดลักลูกทุกคนก็จะคิดถึงหลอหุ่นกลับมาหรืออาจจะคิตถึงเพียมป่าเมียรักกลับม า, บาอาบวยคิดก็โอ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว แต่เมื่อลูกคุณคิดถึงลูกคนณไม่มีอาคิดถึงเมียคนมีความร๊อกคิดถึงความรักคนมีความโกรธคิดถึงความโกรธคนเคยสนุกสนานก็ ค, นคิดถึงความสนุกสนานให้หมาสร้างจังหวะให้หมาเคลื่อนไหวให้ลูกสะดวก็ก็หมดแรงเดินจะกลมก็หมดแรงเอะโขงเหนื่อยไม่เล่าบางบางทีไม่ค่อยออกแรงตะมานมือสองนิ้วหัวเข้าก็สองนิ้ว หลังน้ำกรมสองนิ้วถ้ามาออกแรงเนี่ยมันเป็นแรงเดินยังกรมมันเป็นแรงไม่ค่อยออกแรงปวดค้นแขนปวดเข่าปวดขาเอาขวงปวดเจริญเป็นการโทษแท้ไปก็มีมันต้องออกแรงในมือต้องปวดปวดหน้าอกปวดต้นแขนเวลาเดินก็ปวด ห, หัวต้นขาปัวเขาวัวหลังปวดเอยวหลพยอย่างแต่ว่ามันจะได้กำลังเวลาเรายกมือเคลื่อนไหวไปมามันได้พัฒนาหน้า อ, อกต้ น, นแขนระบบหัวใจมันจะมีกำลังหรือเวลาเราหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆล้วก็ได้ฝึกปอดที่มีพลัง ถึงหลงปดจะได้พ้องจะได้มีกําลังขับเกิดขับโลเห็นได้ดีหน้าตาจดแดงขึ้นมากินข้าวเป็นเวลานอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาก็ได้กายใจก็เกิดมีได้ระเบียบขึ้นมาคิดเป็นกายก็ถูกต้องใจก็ถูกต้องคิดก็ถูกต้องแล้วก็อจะเลืนขึ้นจะเลื่อขึ้น เช่นความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องหลงที่ใดรู้ทุกทีหลงที่ใดรู้ทุก ท, ทกีอันสัมผัสเช่นนี้นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ต้องถามจะจะเปลี่ยนเอาเองไม่ได้คิดนิดเดียวมันจะหยิบทุกข์ก็ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์มีแล้วต้องกลับมาอยู่ความไม่ทุกข์หลงก็กลับมาอยู่ความรู้ ก็ฝึกเป็นแล้ว่ันก็มันก็ทสมเป็นแล้วทุกก็เห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเราพ้นจากทุกตอนโกรธก็เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากของโกรธดอนอร่อยที่มันเกิดเกิดกาเกิดใจไม่เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้ น, พนไม่เป็นก็จิตใจก็สูงบริสุทธิ์ขึ้นไป เกิเกิดสมองที่ปัญญาเกิดวิปัสนาหยานขึ้นมาลูกแจ้งเรื่องนี้ไม่โง้ไม่หลงไม่ยอมที่ให้ชีวิตจิตใจไปเปื้อนกับเสียงดอยปฏิบัติไปก็จบได้สูตรที่มันเกิดกับกายใจมันเลียนจบได้การเลียนสูตรที่เหมันกลายกรรมฐานที่โอกายเป็นลำลาในวิสติปนักสื่อสารมือนจบถ้ามันจบก็เป็นมากเป็นผล มันใช่จบแบบเรียนไม่ชา้าต่างๆศาสตร์ต่างๆการโจบที่มันเป็นมากผลผลเกิดกับการกับจันมันเป็นนั้นเป็นประโยชน์แต่ก่อนมันเป็นโทษตัวเองคนทุกเคยมีทุกไม่ทุกเนี่ยเคยหลงไม่หลงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมา แล้วเกิดเหนือก่อเกิดเจ็บเจบตายถ้าใช่มันก็มีประโยชน์ทาไมใช่ฝึกหัดมันก็เป็นทุกเป็นทุกข์เราถูกความทุกข์ย่่งเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเบองหน้าแล้วมันก็เกิดเจ็บเจบตายยิงๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนกาอนเกิดเจ็บเจบตายยิงๆเกิดมาเพื่อ เก็บก็เจ็บเมื ovat, ่อตายก็ตายทุกภวขวงเก็บทุกภวคุตายทุกภวคงณเกลียรัลพัติจากอะไรก็ทุกเวทนาก็ทุกสัญญาก็ทุกสังขารก็ทุกวิญญาณก็ทุกทั้งทั้งที่เอามาทั้งทั้งที่ไม่ใช่ทุกเอามาเป็นตัวทุกไม่ได้สักแต่ว่าเวทนากไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง รูปมันก็ไม่เที่ยงจริงใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรอำมาเป็นตัวเป็นตนเอาตนมาเป็นลองรอบต่อสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงใจมันเที่ยงมันก็เป็นทุกข์ความไม่เที่ยงพวามไม่เที่ยงก็ต้องไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงได้อย่างไรความเปนทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์จะเป็นสุขได้งหายใจเข้ามัหายใจออกก็เป็นทุกข์ ไม่กินไม่นอนไม่หลบับไม่ถ่ายไม่ถ่าก็เป็นทุกรูปนี่ไม่เที่ยงเป็นความทุกข์ตนไดย้ยอกเกิดขึ้นแล้วแจ็เจ็บตายป่านเห็นแจง้งในเรื่องนี้ได้ประโยชน์ได้บรรลุธรรมแต่ก่อนเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์วันนี้เอาความไม่เที่ยงมาเป็นมรรคเป็นผลเมื่อหลายมันเกิดความไม่เที่ยง เกิดขึ้นมาเรารู้แล้วรู้มาแล้ว45 4ปีแล้วความทุกข์ก็รู้แล้วนี่คือทุกข์อย่ามาหลอกเราให้เราเป็นทุกข์กับความทุกข์ไม่ได้เพราะเราเห็นแจ้จงจิตใจที่พุ้นออกจริงเรานี่ยมาแล้วก็ไม่เปิดอเพื่อนนี่ถ้าเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกก็ตม โลกทุกถมนมดจบ ก, ก็คือเราทุกก็คือเราผิดคือเราอะไรคือตัวตนทัง้งแบบเอาตัวตนไปลองรับพอเป็นทุกข์เป็นโทษในกายนี้ในใจนี้เมื่อไม่เป็นทุกข์เป็นโทษก็เป็นทุกข์เป็นโทษตัวตัวเองแล้วไม่พอต่อคนอื่นจิ่ง อ, อื่นวัตถุอื่น เลาวเราฝึกมนดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อจึงอื่นวัตถุอื่นพึ่งผ้ า, าใสกันดารเป็นบุญบุญคือความดีเมื่อเราเป็นคนดีคนอื่นก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขสงบรลมเย็นไปหล่อย่างเกิดจากคนมือหนิ้วสิบนิ้วนี้ ถ้าไม่เอาหมอเปิดนั่เป็นประโยชน์ก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นมื 5, 9, 10, 9, อหนิ้วจิบนิ้วมีกางไม่ใจนี่เป็นทุกวันนี้ก็ไม่เขาจะวอดพายนี่จะพายเกิดขึ้นถ้าคนเติมแท้มันฝปิดได้แท้ๆนั้นฉอตวัดเสร้อแต่ถ้าไม่เปิดก็มันก็เป็นฉอดที่ต่ำ ต้องมีคุกมีตารางมีโทษประหารชีวิตมีตำรวจทหารมีสตาอาวุธมีตัวปรกฎหมอยเพื่อกเก็ยากกดดื้อด้านถ้าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือีวิตของเราเป็นชาปรสืบใหไดพึ่งวาสเยก่อนนี่ เลาก็เป็นชั้นสังคมมีพ่อเบบีมีพี่บีน้องปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเราเป็นคนดีมัพวกนก็คอยมีความสุขด้วยานนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกชีวิตมาชวนกันมาเป็นคนคนเดียวกันนี่จะติ เป็นคนคนเดียวกันมีสติคนละความชั่วทำความดีใครมีสติคนนั้นคนละความชั่วทำความดีคนนั้นละความชั่วคนนั้นทำความดีล้วก็พึ่งได้ถ้านละไม่มีสติแล้วก็พึ่งไม่ได้เป็นคนละคนกันป่ค า, าคุมร้อยคุมดีวัดที่วัดทำมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวก่อน ทำให้เราเป็นคนคนเดียวกันคือจิตนี่มีกายก็มีเหมือนกันมีใจก็มีเหมือนกันปัญหาที่เกิดกับกายปวดใรก็เหมือนกันการแก้ปัญหาก็เหมือนกันไม่น่าจะยากมันหลงก็ไม่หลงให้รู้จักตัวซ้อเนี่ยเพราะว่าที่รู้นี่ประกอบึ้นหมาให้มันมีนี่หรือว่ากรรมฐานปฏิเสธไม่ได้วิชากรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธ เราที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องทุกเรื่องเป็นตัวเฉลยปัญหาที่เกิดกับกวามกระัดทุกๆอย่างจบขึ้นเลยเมื่อการเกิดเจ็บตออในได้ประสบพบเป็นใ น, นชีวิตในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกคนกคนับพระครอาพระพกัน